ปัญหาของโลกปัจจุบันนี้ที่มีมีมากก็คือปัญหาที่ตายแล้วเกิดนี่มีน้อยตายแล้วสูงนึกถือจะมีมากขึ้นทุกถีนี่เป็นปัญหาใหญ่โตอยู่กับจิตใจของนักเกิดนั่นแหละด้วยความเข้าใจว่าตายแล้วสูญ น, นี่ก็คือเรื่องของกิเลสพาให้เข้าใจไม่ใช่ความจริงพาให้เข้าใจผู้เชื่อตาม ความสำคัญของกิเลสจึงทำให้ผิดไปเรื่อยๆคนที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนยย่อมไม่คิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่ออนาคตเพราะหมดหวังแล้วทั้งๆ ท, ง ท, งที่สิ่งที่จะเป็นไปอาจจะประสบพบเห็นจริงต่างๆทั้งๆ ท, ที่เราไม่หวังก็ตามมันมีอยู่คือใจ ปัญหานี้ทาเป็นการทาลายตัวเองไปในตัวผูทีวัดมีความเข้าใจว่าตายแล้วเกิดยังต้องมีการระมัดระวังเกิดแล้วจะเป็นยังไงถ้าว่าเราทำไม่ดีเสียอย่างนี้ไปเกิดก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นเครื่องตอบแทนแม้เราไม่ปรารถนาก็ตามเพราะอยางไงกิจจะต้องเกิดต้องรับผลแห่งกรรมนั้นนี่ คนนี้มีความขยะกขยงต่อสิ่งที่ไม่คุณป่าถนาแล้วก็ไม่กล้าทำแต่ผู้ที่ว่าตายแล้วสูญนี้รู้สึกจะสูญไปโดยประการทั้งปวงในเรื่องบาปบุญคุณพจนอะไรทั้งหมดพอยังลมหายใจอยู่เท่านั้น mm. เมื่อสิ้นหายใจแล้วก็หมดปัญหา mm. การทําบุญทําบาปจึงไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นความต้องการในปัจจุบันอาจจะทําอะไรแล้วก็ทําตาม ได้ชอบภูนี้ชื่อว่าความคิดเช่นนี้ชื่อว่าการทำลายตนเองไปในตัวนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีถึงสิ่งทั้งหลายเที่ยงคือพวกทิฏฐิต่างๆญาติทิฏฐิต่างๆที่เข้ามาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า ตายแล้วสูญบ้างตายแล้วเกิดมึางทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงเวลาสัตว์เคยเกิดเป็นชนิดใดก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นแบบ น, นี้ถึงเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นก็จะเกิดเป็นชนิดนั้นเคยเกิดเป็นคนต้องเป็นคนด้วยไปเที่ยงต่อกำเนิดของตนที่เคยเกิดเป็นอะไรก็เที่ยงไว้หมดนี่ก็เป็นเรื่องของความสําคัญไม่ใช่ความจริง เรื่องของกิเลสจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราเรียนเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิใตใจของเราด้วยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์เรายิ่งจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นเครื่องหลอกลวงจากกิเลสแทบจะพูดได้ได้ว่าทุกระยะที่เป็นตัวกระสิบกระซาบจนตัวบังคับบัญชาอํานาจมากอํานาจน้อยมีอยู่กับกิเลสนี้ทั้งสิ้นเราเป็นติดยั ง, งคล้อยตามมันคล้อยตามมันจนกระทั่งลืมตัว ว่าความคิดที่นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปหมดที่น่าเชื่อยึดเชื่อไปเลยนี่เรียกว่าลืมตัวเราไม่ทราบได้ว่าสิ่งที่คิดนั่นเป็นทางถูกหรือทางผิดเพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่มงมงายน้มานานยิ่เรศคือธรรมชาติที่ไม่มีค่าสำหรับผู้มีค่า จึงต้องได้ระวังการที่จะพิสูจน์ถึงเรื่องเกิดเรื่องตายนี่เราจะพิสูจน์อะไรไปเรียนที่ไหนมันก็ไม่สิ้นไม่สุดไม่สามารถที่จะระงับดับความต้องัาเหล่านี้ได้นอกจากการปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะคือจิตตะภาวนาอันนี้เป็นทางตรงแนวต่อความจริงจะต้องทราบทั้งสิ่งที่ปลอมทั้งสิ่งที่จริงซึ่งมีสิ่งอยู่ภายในจิตอันเดียวกัน อย่างอื่นไม่มีทางทรางได้จะเรียนมากเรียนน้อยก็ตามไม่ได้ประมาทเพราะการเรียนไม่ใช่การชําระกิเลสนี่จดจำเอาตามการเรียนมาเฉยๆกิเลสมันมันก็เป็นกิเลสอยู่โดยตรงถ้าเราไม่แก้เหมือนเราสร้างแปลนบ้านแปลนเรือนนั่นแหละจะทําแปล น, นได้สักกี่มากน้อยถ้าเราไม่ลงมือทํามันก็เป็นแปลนนิสัยมันไม่เป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมาได้น การจดจําเรื่องชื่อเสียงของกิเลสจะเรียงไปขนาดไหนก็เรียงไป ม, มันก็เป็นแต่ชื่อแต่ตัวีิเลสจริงๆมันก็เป็นกิเลสของมันอยู่อย่างนั้นไม่บกพร่องไปแม้นิดหนึ่งด้วยการจดจําจึงไม่สามารถที่จะแก้กิเลสตัวตัวสาคัญต่างๆภายใน จ, จิตใจได้นอกจากเราจะปฏิบัต การปฏิบัติเช่นจิตจตะภาว น, นาก็คือการปฏิบัติต่อจิตใจการเรียนเรื่องจิตใจของตนเองวิถีของจิตใจคิดไปในแง่อะไรบ้างมีมากน้อยหนักเบาไปทางใดทางดีหรือทางชั่วเพราะมีทําเป็นเครื่องพิสูจน์ท่านสอนว่าอย่างไรที่ควรจะละที่ควรจะร ะ, ะ, ะงับที่ควรจะดับที่ควรจะส่งเสริมเนี่ยท่านบอกไว้หมดอย่งจิตมีความฟุ้งซ้าน เป็นการก่บความตัวเองฟุ้งซ่านมากก่อความากทำลายตนเองมากนี่ให้พยายามระ ง, งับดับความคิดเหล่านั้นด้วยอุบายต่างๆตามแต่จะเห็นควรเช่นกำหนดภาวนามีบทธรรมบทใดเป็นหลักยึดแทนอารมณ์อันที่จะทําให้ฟุ้งซ่านนั้นเสียจิตก็ย่อมมีทางสงบลงได้พอจิตสงบลงได้แล้วก็ทราบว่าจิตพักงานพักงานวุ่นมีเพียงครั้นี้ ก็พอทราบเงินต้นถึงขั้นจิตมีความสงบมั่นคงเข้าไปโดยลํำดับขอย่อมทราบจิตและทราบธาตุทราบขันน์เรื่องของธาตุของขันน์โดยลําดับว่าจิตเป็นอย่างธาตุขันน์เป็นอย่า ง, าางไม่ใช่อย่างเดียวกัน แม้จะอาศัยอยู่ในธาตุขันอันเดียวกันก็ตามเทียบแล้วก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านจริงแม้เราจะอยู่ในบ้านเราก็เป็นเราคนหนึ่งจริงไม่ใช่อันเดียวกันเป็นเพียงว่าอาศัยกันอยู่เท่านั้นเช่นเราเราอยู่ในบ้านบ้านจึงไม่ใช่เราเราจึงไม่ใช่บ้านแต่เป็นเพียงอาศัยกันหรือว่าบ้านของเราธาตุขันนี้เป็นของเราคือหมายถึงจิตเรานี้ไม่ใช่บ้าน เราไม่ใช่ธาตุขันธาตุขันไม่ใช่เราแต่เมื่ออาศัยความรับผิดชอบกันอยู่เราจะเรียกว่าธาตุขันเป็นของเราตามหลักสมมติมันก็ไม่ผิดแต่ยังไงมันก็เป็นคนละอย่างอยู่โดยดีมีการการเรียนทางจิตตภาวนาทราบไปโดยลํำดับลํำดับอย่างนี้ภริยาจิตมีความหนักในทางใด จิตจะมีความบึกบูนหรือมีความสะแสวงในทางนั้นเสมอทําเมื่อมีสติมีปัญญาคอยสอดส่องคอยสังเกตอยู่แล้วเราจะทราบว่าจิตนี้ชอบคิดในทางนั้นมากเมื่อจิตคิดในทางนั้นมากก็เป็นเหตุให้เราเกิดความส้องใจว่าทางนั้นมันเป็นเป็นอะไรเป็นทางดีหรือทางชั่วเป็นทางผูกมัดหรือทางแยกหรือทางถอดถอนนีถ้าเป็นทางผูกมากเป็นทาง จะสั่งสมความชั่วด้วอความทุกข์ขึ้นมาแก่เราเราก็พยายามแก้ไขพยายามหักห้ามด้วยวิธีการต่างๆนี่นี่แหละมันมีทางแก้กันได้อย่างนี้การพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ล้นละย่อมมีทางที่จะหักห้ามสิ่งไม่ควร น, นั้นได้จนกระทั่งขาดจากกันไปได้เหมือนกับเราตัดไม้ ตัดฟันครั้งหนึ่งมันไม่ขาดสองครั้งเข้าไปสามครั้งเข้าไปหนุน ไ, ไปจกนกระทั่งม้าตั้ขาดจริงๆเพราะความพยายามตัดอยู่เสมอการตัดกระแสของจิตที่ชอบคิดในแง่ยไม่ดีด้วยความพยายามอยู่เสมออย่างนี้ก็เป็นไปได้ทานองเดียวกันตัดสิด่งใดขาดออกไปจากจิตก็ทราบชัดว่าสิ่งนั้นได้ขาดไปแล้วจากใจเงื่อนที่จะต่อให้เกิดความทุกข์ความลาบากเพราะความคิดเช่นนั้น ไม่มีอีกต่อไปแล้วอย่างนี้ก็ทราบนะพิเรศประเภทใดที่จิตชอบคิดชอบยึดชอบเหนียวชอบยึดมั่นถือมั่นก็คิดในแง่นั้นมากๆกาหนดพิจารณาแก้ไขกันโดยทางปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอต่อไปพิเรศประเภทนั้นหรือความคิดประเภทนั้นก็ค่อยอ่อนกําลังลงไปสติปัญญาค่อยแก่กล้างขึ้นมาจนกระทั่งตัดขาดได้น่ะ ค่อยตัดขาดไปทีละกิ่งสองกิ่งถ้าเป็นไม้ตัดขาดทีลรากสองรากถ้าเป็นรากไม้แล้รากไม้ต้นหนึ่งมันมีมากน้อยเพียงไรก็พยายามตัดมันจนกระทั่งมันโค่นมันล้มลงไปถอนจนกระทั่งรากแก้วขึ้นมาได้ด้วยความพยายามตัดทีละรากสองรากเข้าไปต้นไม้มันทนไม่ไหวเพราะการตัดอยู่โดยสม่ำเสมอตัดไม่หยุดไม่ละไม่ลดละมันก็ขาดไปได้หมดน่ะเรื่องกระแสของกิเลสที่ออกไปจากกิจ มันก็มีมากมายเช่นเดียวกับรากไม้รากฝอยนะ่ะสาคัญรากแก้วมันก็มีรากเดียว ต, ตัวกิเลสจริงๆมันก็มีคืออวิมีอวิชาอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นหลักใหญ่ขนาดเรียกว่ารากแก้วของกิเลสคืออวิชาพยายามตัดมันแตกไปทางตาทางหูทางทางๆานี้มันก็ไปหลายเงื่อนไปหลายแขนงเหมือนกันรูปอะไรบ้างนี่มันแตกกระจายไปมากมายกายกองแต่มันออกไปทางตา ไปสู่รูปและรูปอะไรบ้างนั่นแหละมันแตกแขนงไปซึ่งจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเมื่อกิดคิดไปในทางกิเลสที่ไปทางเสียงเสียงอะไรบ้างนั่นมันก็แตกแขนงกันไปอีกเป็นรากฝอยไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเราเราก็ทราบว่ารากฝอยก็คือรากฝอยของกิเลสตันนี้จะรากฝอยอะไรเสียงลักษณะใดถ้าเป็น เสียงที่จะทําให้เกิดกิเลส ข, ขึ้นมามันก็ทราบเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันก็พยายามตัดพยายามแก้คลี่กายออก็เห็นทั้งรูปมันเป็นอะไรถึงรักถึงชอบถึงเกลียดถึงโกรธนี่ยแย่เอาไปใครเป็นผู้โกรธปรวดเพราะเรื่องอะไรโกรธแล้วได้ประโยชน์อะไรความโกรธเป็นความรุ่มร้อนเป็นความทุกข์แล้วทําไมขยันโกรธโกรธให้ตัวเองแขวงชั่วอโกรธให้คนอื่นซึ่งตัวเองก็เป็นทุกข์ แล้วเขาก็เป็นทุกข์ด้วยยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานใจทั้งตนและเขาขึ้นอีกมากมายการโกรธตัวเองยังมีทางที่จะแก้ไขตัวเองเพื่อถอดถอนความโกรธนี้ได้นี่แต่ส่วนมากไม่ยอมโกรธตนเองที่จะให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาในการแก้ตัวเองเพราะความโกรธตนเองนั้นมัาจะไปโกรธคนอื่นเหล่านี้เป็นเรื่องของที่เห ล, ลวเราแย่ไปดูปริจารณาไปรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสมัมผัสมันมีขแนขแนงแขนงไป ออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแล้วก็ประมวลลงมาทางใจคือทำมารุมโดยอาศัยรูปเสียงคิอรสความสัมผัสที่เคยสัมผัสมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นการสั่งสมกิเลสประเภทหนึ่ ง, งขึ้นมาเรื่อยๆเนีม่มันแตกแขนงออกมาและแตกออกมาจากใจสติปัญญาอย่างทราบอยู่ภายใน จ, ใจิตใจนั้นก็ย่อมทราบได้โดยอยู่โดยดีหนีไม่พ้นถ้าลงสติปัญญาได้จาะลงที่ตรงไหน ไม่ทราบมากก็น้อยสําคัญที่เจตนาสําคัญที่ความจดจ่อจะทําให้ทราบไม่ทราบในวาระนี้ต้องทราบในวาระต่อไปจนได้ไม่ทราบน้อยก็ต้องทราบไม่ต้องไม่ทราบมากก็ต้องทราบน้อยทราบไปแล้วโดยลําดับๆมันก็มากไปเองค่อยขาดไปเองทราบตรงไหนแล้วมันก็ค่อยละล้นรากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัดขาดกันไปนี่แหละท่านว่าตัดที่เหลือท่านตัดอย่างนี้เช่นเดียวกับเราตัดรากฝอยของ มของต้นไม้ตัดไปตัดมาก็ไม่มีรากอะไรเหลือสุดท้ายก็ยังเหลือแต่รากแ ก, กออ้วก็ถอนพวดขึ้นมาหมดไม่มีเหลือเอาไปปลูกไม่ต้นนั้นมันตายแล้วเรื่องของจิตภพชาติมันอยู่ที่จิตเอความศูนย์มันจะมันอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นทําไมเราไปเหมามันได้มาตายแล้วศูญนั่นความศูนย์มันอยู่ที่ไหนเราเราถึงได้มาพูดแต่ภพชาติคือความไม่ศูนญมันอยู่ที่จิต นี่เราทำไมไม่ดูตรงนี้ใครแสดงพบชาติขึ้นมาให้เราเห็นในระยะนี้เรานั่งอยู่เวลานี้ถ้าไม่ถ้ามันไม่มีเกิดมันจะมีรูปมีกายมาอย่างไงการเกิดนั้นมันเอาอะไรมาเกิดถ้าไม่เอาของมีอยู่มาเกิดจะ อ, อะไรมาเกิดธาตุขันนี้ออกมาจากอะไรธาตุสีดินน้ำลมไฟก็เอาสิ่งที่มีอยู่มาผสมกันคือธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟมาผสมกัน เรียกว่าส่วนผสมอาศัยจิตจิตก็เป็นของมีอยู่ถึงเข้ามาอยู่ได้ของไม่มีจะเอามาได้อย่างไรนี่มันวนแล้วตั้งแต่อาศัยสิ่งที่มีอยู่มาประกอบมันเข้าแล้วเป็นรูปเป็นกาเต็นหญิงเป็นชายเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรหล่านี้เป็นต้นมันมีอยู่ทั้งนั้นถ้าไม่มีมันประกอบไม่ได้มันปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้แล้วเราที่ว่าตายแล้วศูญในขณะนี้มันสูญหรือไม่ศูญมันออกมาจากไหนถึงมาเกิดนี้ถ้าหาว่ามันศูญจริงจริงแล้วมันมาเกิดได้อย่างไรฮะนานนี่ปัญหาแก้ตัวเอง พิจารณาแยกแยะลงไปมันเอามาจากสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นมาได้ไม่มีปรากฏขึ้นมาไม่ได้นี่แหละพบชาติคือความสืบต่อแห่งพวพทำชาติเป็นกําเนิดเกิดในที่นั้นที่นี่มันมีเชืองมันอยู่ภายในจิตใจนี้ตัวนี้จึงเป็นตัวพบตัวนี้จึงเป็นตัวชาติตัวนี้จึงเป็นตัวไม่ศูนย์เป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเติตัวเจ็บตายมันอยู่ที่ตรงนี้หมดรวมหมดส่วนความศูนย์นั้นมองไม่เห็นถ้ามันศูนย์ได้ยังไง มันศูญอยู่ที่ไหนเห็นแต่ความมีอยู่ภายในจิตใจความศูญภายในจิตใจมันไม่มีไม่เห็นไม่ปรากฏแล้วตายแล้วมันจะศูญได้อย่างไงเมื่อมันไม่มีสิ่งที่จะให้ศูญมันมีแต่สิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นแล้วเราจะอะไรมาศูญความสําคัญมันสําคัญหลอกตนต่างหาความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่านี้มันมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจพร้อมที่จะเกิดเพราะสิ่งที่จะทําให้เกิดมีอยู่ภายในจิตใจราก เนาะข้อมูลของมันก็คืออวิชชานี่ตัวให้เกิดโดยไม่เป็นอย่างอื่นเลยถ้าตัวนี้ยังไม่ออกจากจิตแล้วต้องเกิดวันยั่งคําตลอดกลับตลอดกันไม่มี ก, กําหนดกฎเกณฑ์ไม่มีต้นมีปลายเลยก็ต้องเกิดแล้วตายเกิด แ, แล้วตายอย่างนี้เพราะเชื่ออันนี้ยังมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นความจริงที่ประจักษ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจเราจะลบไม่ได้ว่าลบให้มันศูญไปไหนมันได้จากความสําคัญเฉยๆผลสุดท้ายกับผู้ที่สําคัญว่าตายแล้วศูญ น, นั่นแหละไปเกิดอีกไปลาบความทุกข์ความลําบาก ที่ตนเข้าใจว่าตายแล้วมันก็หมดไม่มีอะไรที่จะมาสืบต่อข้างหน้าแล้วอยากทำอะไรล้วก็ทําอยากทาบาปทําอะไรก็แล้วแต่ตามใจของเราในวนารที่มีชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดความหมายที่นี่เมื่อมันไม่หมดความหมายตามความสําคัญตนแล้วใครจะเป็นคนรับความชัวช่วช้าละโมกทั้งหลายเรื่อนี้ก็คือเราเองเป็นคนรับเมื่อไปเช่นนั้นเรากล้าเสี่ยงแล้วเหรอนี่เพราะเราเป็นคนรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาเห็นได้ ย, ยังจะต้องไปเสียท่าเสียทีแล้วไปล่มจมถึงขนาดนั้น ด้วยอำนาจของกิเลสมาครอบงำด้วยความสําคัญมาหลอกลวงตัวเองท่างนั้นความจริงมีอยู่ทําไมเราจึงไม่ดูความจริงก็คือใจใจนี้ไม่ศูนญเชื่อแห่งกิเลสที่เชื่อแห่งพบแห่งชาติซึ่งมีอยู่ในใจนี้ก็อยู่กับใจนี่แหละตัวประกันตัวตีกราที่จะให้เกิดมันมีอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจแล้วมันจะศูญไปไหนจะสูญได้อย่างไรนี่คือความจริงมันศูนย์ไม่ได้ความสําคัญเรามันศูญได้ศูนย์ได้ตามความสำคัญ เ, ญญญเฉยแต่ความจริงไม่ศูนย์ แล้วบาปบุญคุณโทษที่ทําลงไปมันก็เข้าไปอยู่ภายในจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นเพราะจิตเป็นโรงงานผิดออกมาจากที่นั่นมันก็อยู่ที่นั่นจะไปไหนมันเกิดขึ้นที่นั่นให้ผลกันที่นั่นดีชั่วมันอยู่กับจิตจิตจะไปเกิดในสถานที่ใดพบใดแดนใดก็ตามมันไปด้วยกําลังแห่งกรรมกําลังแห่งวิบากแห่งกรรมมันถักใจให้ไปเนี่ยมันจะสูญไปไหนตายแล้วมันพร้อมเสมอที่จะเกิด จะเกิดสูงต่ำขนาดไหนนั้นมันแล้วแต่อำนาจแห่งกรรมที่มีอยู่ภายใน จ, จิตใจซึ่งตนสั่งสมไม่แล้วนี่เป็นหลักความจริงในการเรียนเรื่องความจริงเหล่านี้จึงต้องเรียนลงที่ใจพิจารณาลงที่ใจนี้ดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่าตัดุ่มนั้นเข้ามาตั้งนี้เข้ามาด้วยกิตติภาวนาคือเราทราบด้วยปัญญามันมีความ สัมผัสสัมพันธ์นกับสิ่งใหนมีความสนใจกับสิ่งใหนสิ่งนั้นเป็นดีหรือเป็นทางดีหรือชั่วเป็นสิ่งดีหรือชั่วเราตามรู้เสมอด้วยกิจตภาวนาของเราเราทราบเมื่อทราบแล้วพยายามแก้ไขพยายามตัดกันเบื่ออุบายของสติปัญญาจนกระทั่งตัดขาดตัดขาดมาโดยลําดับลําดับน่ะนี่แหละท่านพิจรณาทางกิจตภาวนาหรือท่านมา น, นั่งกรรมฐ า, านท่านนั่งอย่างนี้จะนั่งอยู่ในป่าในเขาอยู่ลุกขมูลลมไม้ที่ไหนก็เถอะก็คือนั่งเรียน เพลงของจิตเพลงเรื่องค ว, ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการต่างสมกิเลสวิถีทางเดินของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันเดินอยู่ที่จิตมันเกิดอยู่ที่จิตมันหลั่งไหลออกจากที่จิตนี่ไปเป็นภาพต่างๆให้เราดุ้นเดิงมันเติมให้เราโศกเศร้าเสียใจนี่แต่เรื่องทิปภาพที่ออกไปจากจิตนี้ทั้งนั้นการเรียนจึงต้องเรียนตรงทีน่นี่และต้องทราบทั้งดีทั้ทงชั่วโดยลําดับลำดั บ, ลดบแล้วมันตัดขาดจากกาันเรื่อยๆขาดไปเรื่อย แล้วจิตมันก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาเพราะมันขาดสิ่งที่สื่อต่อหดตัวเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามานีนะ่เรียกว่าตัดพบตัดชาติส่วนหยาบตัดเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาสู่ความละเอียดตัดเข้ามาแม้ที่จุดร่างกายของเรานี้ก็เห็นชาตุตามไปจริงว่ามันเป็นแต่เพียงว่าธาตุขันเท่านั้นน่ะคือธาตุสีดินน้ำลมไฟ มาผสมมันเข้ามีโดยมีจิตเป็นเจ้าของเข้ามายึดครองแล้วก็ว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นจัตเป็นบุคคลเมื่อมันทราบชั้นแล้วมันก็สลัดพาณาจิตีรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัญญาสังขาริญญาณแต่และอย่างอย่างมันสักแต่ว่าตามความจริงของมันเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ปัญญามันทราบลงไปอย่างนี้ เมื่อทราบชัดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วใครจะไปกล้าถือทั้งทั้งที่ทราบชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราไม่จช่เราใครจะไปกล้าถือว่าเป็นเราใครจะไปกล้าแบกขามว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเราไม่กล้าเพราะปัญญาอย่างทราบหมดแล้วจะไปกล้าไงปัญญาเป็นสิ่งที่แท้ที่จริงตามหลักความจริงคือรู้จริงเห็นจริงก็คือปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้พารู้ผู้เห็นเราเป็นหนาให้เห็นตามความจริงเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปกล้าฝืนความจริงได้อย่างไงว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้วเรายังจะไปถือเอาฝืนไปถือมันก็ไม่ใช่ปัญญามันก็นไม่ นี่การแก้นี่แก้โดยปัญญาเพื่อแก้กิเลสต่างหากไม่ใช่เพื่อสังสมกิเลสนั่นมันก็ทราบชาัดลงไปอย่างเนี้ยนี่ยการเรียนการตัดภพตัดชาติการเรียนเรื่องวิถีของกิเลสการตัดกิเลสเรียนอย่างนี้จนกระทั่งว่าธาตุขันก็สับแต่ว่าธาตุว่าขันนั่นคือรู้ตามเป็นจริงและมันปล่อยอย่างนั้นแหละไม่มีใครมาบอกให้ปล่อยปัญญานั่นแหละเป็นผู้พาให้ปล่อย เมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยถ้าสิ่งไหนยังไม่เข้าใจพิจารณาค้นคว้าเข้าไปจนกระทั่งถึงถึงความจริงคือเข้าใจเต็มผุ่มแล้วปล่อยน่ะสุดท้ายมีอะไรตัดมากฝอยเข้ามาโดยลําดับลําดับมันก็ถึงรากแก้วมันเท่านั้นเองตัดไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วภพชาติอย่างอื่นมันขาดไปโดยลาดับลําดับยังเหลืออยู่อะไรน่ฟาดฟันเข้ามาก็ถึงตัวอวิชชานันแหละเนื้อตัวกิเลสแท้ กินก้านสขาขามกิเลสตัดขาดมาหมดยังเหลือแต่ตัวกิเลสแท้ๆได้เกะ อ, อวิชชานี่อวิชชาจะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตเท่านั้นอวิชชาไม่อยู่ที่อื่นครอบอยู่กับจิตจนกระทั่งจิต ก, ก็เข้าใจว่าอาวิชชาั้นเป็นตนตนเป็นธรรมชาติานั้นแน่เมื่อปัญญายัางยังไม่ทราบชัดแต่มันก็ทนไม่ได้เพราะฟังคําที่ว่าปัญญาเถอะมีความฉลาดแหลมคม เมื่อนาํามาใช้ในสิ่งใดก็ต้องเห็นความจริงในสิ่งนั้นแล้วเราเรานาํามาใช้ในจิตซึ่งมีกิเลสคืออวิชชามีอยู่ที่จิตทําไมจะไม่ทราบแล้วทําไมจะทําลายกันไม่ได้ทําไมจะตัดขาดกันไม่ได้เมื่อสิ่งอื่นปัญญาสามารถตัดขาดได้แล้วสิ่งนี้ทําไมปัญญาจะสามารถตัดขาดไม่ได้เล่าปัญญาก็สามารถตัดขาดได้อันนี้ตัดวาอตัดขาดอันนี้แล้วทราบชัดรเราจะพูดแบบโลกก็เรียกว่าร้อยเปร์เซ็นเออ หมดกันทันทีเถอะเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องกองทุกข์ความทรมานท่องเกี่ยวในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่เป็นมาขีดกลับขีดคันจนนับไม่ถ้วนตัวนี้พาให้เป็นตัวนี้พาให้เกิดตัวนี้พาใตายตา ย, ตายแล้วตายเล่าเกิดซ้ำเกิดซากเกิดมาหยุดไม่ถอยทุกซ้ำซากซากไมาหยุดไม่ถอยมายุติกันแล้วเหรอในครั้งนี้ข่าวนี้ยุติด้วยอะไรเหตุผลอะไรถึงต้องยุตินั่นยุติที่ตรงที่ข้าเชื้ออันใหญ่ขาดกระเด็นออกจากใจแล้วนะ่น เหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เรียกว่าความมยสุดนั่นเป็นจิตแท้เป็นธรรมแท้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเครือบแฝงเลยแม้นิดหนึ่งผู้นี้แลเป็นผู้ไม่เกิดที่นี่สิ้นสุดแล้วแต่ไม่ใช่ศูนย์ฟังไปอันไหนที่มองคิดนาค้นคว้าแล้วหาความศูนย์มันไม่มีมันเดากันอย่างนั้นแหละเรื่องกิเลสพาให้คนเดาเพราะนั้นจึงได้รับความทุกข์เพราะกิเลสแต่ก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของกิเลสเพราะความด้นเดาเพราะความสําคัญเมาอหมด แ ล, แล้วมันก็ไม่จริงเลยมีแต่ของปลอมเต็มตัวเต็มหัวใจความทุกข์จึงเต็มหัวใจด้วยเมื่อเรียนให้เขาถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความปลอมมันก็สลายกลัวพัลงไปจึงได้เห็นโทษชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ความจอมปลอมทั้งหมดที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาแม้ในปัจจุบันบชาติที่เราจําได้นี้เพียงเท่านี้แล้วก็ทราบชาัดว่าเป็นความทุกข์เพราะกิเลสตัวเดียวนี่เท่านั้นเพราะกิเลสอันเดียวนี่เท่านั้น ถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ทําให้เราเกิดทุกข์แห่รู้แล้วชัดเจนที น, นี้มีแต่ธรรมล้วนๆภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาทําใจให้มีทุกข์อีกต่อไปนี้ไหม่มีเนี่ยมันแน่อย่างนี้แหละนี่เราเรียนธรรมภายในจิตใจเรียนธรรมภาพปฏิบัติภาพภาวนาเห็นจริงอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้กิเลสแตกกระจายไปด้วยวิธีนี้เนี่ยไปด้วยวิธีปฏิบัตินี้ไม่ใช่ด้วยวิธีจําเนี่ยเป็นวิธีทําการแก้กิเลสด้วยการตัดกิเลส ทำงานกับกิเลสทาอย่างนี้เมื่อกิเลสสิ้นสุดไปแล้วภายในใจิตใจจิตใจนั้นซึ่งเป็นเจ้าปัญหามาตกรเพราะกิเลสพาให้เป็นเจ้าปัญหาพาให้เป็นตัวปัญหามันก็สิ้นสุดกันไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่นี่แหละความสิ้นสุดของวัตตะแต่ไม่ใช่ความศูนอันเรื่องความศูญของวัตตะนั้นถูกต้องคือมันมน ม, มันไม่มีต่อไปอีกแล้วศูนย์ซึ่งจากความสืบต่อแห่งภพแห่งชาติเกิดจากเจิดตายต่อไปนั้นไม่มี เป็นความศูญชิ่นจากสิ่งนั้นถ้าเราว่าศูญอย่างนี้ถูกต้องแต่ว่าจะศูย์ชิ่นอะไรไม่มีเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ตรงตามความจริงความจริงก็คือความบริสุทธิ์นั่นเมื่อเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วความบริสุทธิ์เด่นสแสดงขึ้นมาอย่างเด่นชัดภ า, ายในจิตใจจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตนี่ไม่ใช่ความศูนนย์ีญอย่างพระพุทธเจ้าทันตรัสรู้แล้วที่เรียกสิ้นศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรเหลือภ า, ายในพระทยแล้วยังต้องอาศัย ความบริสุทธิ์นั้นแหละประกาศทำสอนโลกมาตึ้งสี่สิบหาพระพันษา ถ, ถึงเลยพระนี่ผ่านหากว่าความบริสุทธิ์นี้ได้สูญสิ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรมาประกาศศาสนาเล่าในขณะที่สิ้นกิเลสนั้นแล้วจิตก็ได้สูญไปด้วยแล้วนำอะไรมาสอนโลกล่ะแปดหมื่นจ็ดพันสีพันพระธรรมขันธ์ไม่ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่สูญไม่ใช่จิตสูญนั้นจะออกมาจากไหนเนี่ยเรียนทําให้ถึงนี้หายสงสัย ปัญหาโดยประการทั้งปวงหมดสิ้นไม่มีเหลือเมื่อเรียนจบเจ้าปัญหานี้แล้วตัดเจ้าปัญหาออกจากภายในจิตใจในี่หมดปัญหาอยู่ไหนก็อยู่เธอนี่ะความสมบูรณ์มีอยู่ที่ใจนี้ความสุขมีอยู่ที่ใจนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของที่เจ้าแล้วคนเราจะไมนน่ได้บ่นเรื่องความทุกข์ความลาบากดาเนินไปตามหลักเหตุผลทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์จนก็ยอมรับว่าจนเพราะเราอยู่ในโลกอนิจจัง มันก็ต้องมีสูงมีต่ำมีรุ่นดอนดอมมีได้มีเสียมาเป็นธรรมดาแต่เรียนธรรมะแล้วรู้ตามความจริงของมันไม่บ่นทุกข์ก็ยอมทนรับตามเหตุตามผลมีก็รับตามเหตุตามผลไม่ปีนปียวกับทำคือคติธรรมดาก็สมายแม้จะมีกิเลสอยู่ก็พอสบายพอตรงพอวางได้แต่ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยไม่นำธรรมมาพิจารณไม่มีผลเลยแล้วมีแต่ความต้องการของใจอย่างเดียวความต้องการนั่นแหละจะพาคนไปล่มจม ความต้องการนั่นแหละทำลายจิตใจคนให้รับความเดือดร้อนอยู่โดยสม่ำเสมอตลอดมาไม่มีอะไรคือความต้องการมันต้องการโดยไม่มีเหตุมีผลนี่ไม่แ ต, ต่ยาต่พัดแต่คือยาไม่ทราบอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภัยยาเท่านั้นกินกันไปเรื่อยๆนี่กินไม่ถอยคือคิดไม่ถอยยุ่งไม่ถอยความทุกข์ความทรมาณภายในยจิตใจมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเสริมมันมันต้องมากดี่ไม่ดีสติไม่มีเป็นบ้าไปเลยนานวันนี้ พูดถึงเรื่องวัตถจัก พ, พูดถึงเรื่องความสูงความไม่สูงตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้ศาสนาจริงเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดที่จะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราทั้งที่ความจำมพันธ์ว่าสูงทั้งที่เข้าใจว่าเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดความเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดนี่เป็นความเชื่ออันหนึ่งแต่ยังไม่จริงไม่จัง ต่อเมื่อเราได้เห็นด้วยตัวของเราได้พิจารณาด้วยตัวของเรารู้ด้วยตัวของเราแล้วนั่นแหละความเชื่อนี้จึงจะเด่นเต็มที่เลยอันนี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากเราเองโดยอาศัยเชื่อคือความเชื่อตามหลักธรรมโวจิจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติอันนั่นแหละเป็นสิ่งที่มาผลิดออกดอกออกผลให้เราได้เกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาเป็นความเชื่อที่แน่นอนตามหลักความจริงที่เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติของเรานี่เป็นสิ่งที่ยุติได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันไรคำเริบเลยภายในจิตใจ นี่เป็นธรรมะแท้ขอให้ทุกๆ ท, ท่านนำมรรคนาณซึ่งเราเป็นผู้กอบปัญหาแบกปัญหานี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแม้ผู้เทศด้วยแล้วอาศัยธรรมะพุทธเจ้ า, า, ม, ามาวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินดำเนินตามนี้ให้รู้ตามนี้เห็นตามนี้หมดปัญหาตามที่กล่าวมานี้จึงขอู่ติเพียงเท่า น, นี้เอวังวันนี้เอวังนะวันนี้ทุกวันหายเงียวเลยมันอะไรันไม่รู้นะ